รู้ความเกิดขึ้นดับไปของความคิดอู่ตลอดเวลานอกจากท่านจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดแล้วท่านยังจะสามารถรู้กิเลสแต่อารมณ์ที่จะเพิงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านความคิดเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่มายุแย่ให้เราเกิดความยินดีหลืความยินร้ายความคิดบางอย่างเมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วรู้สึกใเสื่อมแต่บางอย่างคิดขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นที่พอใจเกิดความยินดี เมื่อท่านรู e ้ว่าเจ็บของท่านมีความเย็นดีท่านก็รู้อันทีว่าเจ็บของท่านกําลังจะมีแนวโน้มไปสู่ตาอัตตาถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นท่านแม่ไม่ท่านได้พอใจเกิดปวามเย็นร้ายขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะรู้ทันทีว่าเจ็บของท่านกําลังมีแนวโน้มไปสู่พิภวัตตาถ้าหากท่านยึดในการตัตตาพิิภวัตตาคือความเยนดีเย็นร้ายทั้งสองอย่าง มันก็เกิดเป็นภวะตันผาขึ้นมาในเมื่อภายในจิตของท่านมีการ ม, ารามราตันผาภาวะตันผาวิภาวะตันผาครอบอยู่ตลอดกาลความทุกข์และความสุขจะไม่บังเกิด ข, ขึ้นย่อมไม่มีในเมื่อความทุกข์และความสุขบังเกิดขึ้นข้างสุขแต่ทุกนั่นแหละเป็นทายาต่อให้ะให้เราบองเกิดว่าที่ทุกอริยสัจปรากฏ ข, ขึ้นในจิตของเราแล้ว ในวิธีการกำหนดตัตจิตและอารมณ์ภายในจิตจะได้ผลลัพธ์ทางที่ปล่าวมานี้พราะฉะนั้นขอย้ำเตือนอีกทีหนึ่งว่าการภาวนานี้ต้องกำจิดให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่เพียงท่านกาหรดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดึ่มทำพูดคิดเพียงแค่นี้ท่านอย่เผลอไปคิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติทาน การทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนลักการนดื่มทำพูดคิดเป็นของปฏิบ nah ัติญาณแต่ปั 3. 3่นดูแล้วเป็นเรื่องเผยเผยถ้าจะเอาการจริงจังแล้วนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาอย่างง่ายกว่าแต่ว่าเพื่อเราเปิดาดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรักทานดื่มทำพูดคิดถ้าท่านผู้ใดตั้งใจปฏิบัติกดำเดินตามแนวทางดังที่กล่าวมาแล้วนี้ เมื่อพลังแห่งสมาธิสติปัญญาของท่านปังเสดคือท่านสามารถที่จะน้อมนำสมาธิระเสดสติปัญญาไปใช้ในประโยชน์ได้ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมท่านสามารถที่จะใช้พลังสมาธิพลังสติไปสนับสนุนเหตการที่ท่านทำอยู่ในชีวิตประจำวันเื่อในขณะที่ท่านเดินท่านก็จะรู้การเดิน เวลาท่านทํางานสติสัมปชัญญะจะไปจดจ่ออยู่ที่งานเมื่อเวลาท่านเคลื่สติสัมปชัญญะจะไปจดจ่อดูที่ความคิดไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติสัมปชัญญะเขาจะทําหน้าที่ของเขาทันทีซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัศโนมัติทีนี่เกี่ยวกับเรื่องใจเรื่องใจภายในถ้าหาวสมมติว่า เราทำสติตามรูปการเดินเดินั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดตลอดเวลาจิตของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิก็ตามแต่เราจะได้พลังทางสติสัมปจนยะเมื่อเราได้พลังทางสติสัมปัญญะเราสามารถที่จะน้อมนาพลังจิตพลังสติปัญญาของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆใครปฏิบัติตามสมาธิตามแบบนี้จะเข้าในลักษณะที่เป็นผู้เซื่ง ไม่รู้จักแต่นั่งหลักตาสมาธิอากเดียวยังจะมองดูธาตุตืนแผ่นดินของเราด้วยจะเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งปฏิบัติภูมิจิตกุลใจสูงขึ้นไปเท่าไหร่จะรู้สึกว่าไม่เบือ่อต่อชีวิตไม่เบื่อต่อการงานไม่เบื่อต่อธุรกิจต่างๆไม่เบื่อโลกจะเกิดความเมตาตาสงสารชาโลกมากยิ่งขึ้นถ้าครอบครัวใดเกิดลร่องของละแหง ไม่ไ่จะราเริงเกิดทะเละเบาะแว้งกันบ่อยๆถ้าผู้สามีภรรยามาทําสมาธิเปิดขาดจิตแบบนี้เมื่อพลังของสมาธิพลังสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วความรักความเมตตาปราณีจะเกิดมีในกันในกันผู้ที่เป็นพิธามารดาจะมีความรักความปราณีในบุตรธิธาของตนเป็นอย่างมากผู้บังคับปัญชาจะมีความเมตตาปราณีต่อผู้ที่ใต้บังคับปัญชา แล้วสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งจะงเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้เติร์ดสัตว์ทุจริตต่อหน้าที่และเราจะไม่มองเห็นว่าโรคนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหนายเราจะมองเห็นว่าโรกนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาให้รู้ความาจริงความจริงเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนาเพื่อห น, นีจากโลคแต่ความจริงพระองค์ไม่ได้สอนเช่นนั้น มีแต่สอนให้เราเรียนให้ศึกษาให้รู้ความเป็นจริงของโลกในบรรูปความเป็นจริงของโลกจิตของเราจะหนีโลกไม่จะอยู่กับโลกมันเป็นเรื่องของจิตซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติดังพุทธภาเสดสัยหลักสูตรแห่งนักแห่งรักธรเอกที่ท่านกล่าวไปว่าเอธะปะติมังโลกันจิตตังาราจาระสุปังเจตถาภร า, าวิสีตันติณติสังโฆวิชานตาัง เยจิตญญังเสนเมตสันติพ่อขันติมารปันธานาทูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิสิปัจุนโดยการกระลุกทรงของพระราชาที่พวกคนเนาขาปกจรองแอนให้ดูโลกไมิเจริญทำไมก็ะอง์จึงของให้เราดูโลกเพราะโลกนี้เป็นสภาวัฒน์เป็นสภาวธรรมที่แสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้ความจริงอยู่เสมอ ที่พอเราทั้งหลายภากันหลงโลกหรือภากันเบื่อโลกเพราะยังไม่รู้ความจริงของโลกโลกทั้งหลายล้บพวงที่มีที่เป็นสุูนี้ความเป็นจริงของเขาก็คืออ ร, ริยจังทุกขังอนาาัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองเพโลกเป็นสภาวัฏฐ์ศูนย์รวมแห่งสภาวัรร์อยู่ที่พระไตรลักษณ์คืออ ร, ริยจังทุกขังอนาาัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตา เทพพระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้พุทธปรินสิตข้ามพลังจิตเพื่อจะให้กําหนดพิจารณาดูกฎความเป็นจริงของโลกจักงที่กล่าวแล้วให้รู้รวมลงไปสู่อนิจจังสุขฐานอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อนิจจังสุขฐานอนัตตาเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นป่ากดอยู่ในเมื่อบูมาศึกษาปฏิบัติธรรมมาลุแจงเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตา มีคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตัามจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตัมเขาย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติจากนั้นไม่มีใครหักข้ามได้อันนี้คือกฎแห่งความเป็นจริงของโลกวันนี้ได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องระดับปติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอโยติลงด้วยกตาลัะชลี แต่ในที่สุดท้านี้จะขอถือโอกาสแก้ข้อข้องใจของมรรดานักปฏิบัติความอย่างเลยได้ยินมีผู้ไปถามว่าในเมื่อภาวนาในตอนแรกๆจหตสมบกเป็นขบาที่มีปีติและมีความสุขเป็นอย่างดีแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วทำไมจิตมีแต่ความทุกข์ท้ง อันนี้เป็นปัญหาที่น่าปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจโดยหลักวิชาบารที่ท่านเขียนไว้ในแบบท่านว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตในเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาประชุมรวมเป็นหนึ่งเดียวจ็จะผ่านความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆจิตจะมีพลังงานพลังงานที่เด่นชัดที่สุดก็คือตัวสติ ในเมื่อเจตมีสติสัมปชัญญะประอกอบเป็นเจตติจอยู่ตลอดเวลาเจตย่ยอมต้องการจะทำงานเมื่อเจตมีสติสัมปชัญญะเจตไม่ติดปีติเรืวความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อเจตไม่ติดปีติแล้วความสุขเจตจึงต้องการทำงานเขาจึงมีความคิดสู่ตลอดเวลา ดางทมาตริของท่านอาจารย์เขาได้กล่าวว่าเวลาที่จิตของข้าไม่เคยสงบสักทีมีแต่ความคิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดภาวนาในเบื้องต้นจิตมีความสงบมีปีติมีความสุขอย่างเหลือล้นแต่ภายหลังมาพอกาโลดจิตลงเพียงนิดหน่อยพอจิตรู้สึกว่าสงบลงไปแล้วมีแต่ความคิดเกิดขึ้นอนั่นคือจิตของท่านเริ่มจะเดินวิปัสสนาปัญญาเริ่มจะเกิด ในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่าจะไปเสีย อ, อกเสียใจความคิดเกิดขึ้นก็ให้ทำสติกำหนดตามรู้ตามคิดนั่นไปจนกระทั่งจิตของท่านสามารถกำหนดจนกระทั่งสติของท่านสามารถกำหนดนนดูก า, า, ารจิดของท่านเองโดยอัจฉริยะเป็นการใช้ได้ <c oughs> ในท่านหนึง่งมาถามว่า <c oughs> ในเมื่อตอนทีรมภาวนาพุทโธพุทโตไปเจตบรมประวังลงไปทําบ่อยๆเข้า นันหลับเข้านอนไม่หลับตั้งตื่นจนเกิดความสงสัตัวเองว่าจะเป็นโรคกระต่ายแลเที่ยวถามหมอให้หมอตรวจหมอตรวจได้ก็ไม่รู้สมุติฐานว่าท่านคนนั้นเป็นโรคอะไรอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นแกน่นักปฏิบัติโดยที่ผู้เปิดเผอบรมสมาธิจนคล่องตัวจนทำนิชทำนานแล้วสมาธิของเขาจะมีอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นแน่นอนหลับตรงไปแล้ว การ น, นอนหลับของเขาไม่ใช่การ น, นอนหลับอย่างเมื่อคิดไปอย่างธรรมดาพอหลังพุ่งลงไปแล้วจิตเกิดมีสมาธิจึงเกิดมีความตื่นอยู่ตลอดตื่นทำให้ผู้ภาวนาเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับ้อสังเกตการ น, นอนไม่หลับย่อมมีความกระวนกระวายมีความอึดอัดลำพางตลอดคืนที่นอนไม่หลับเมื่อเืินขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเมื่อยตีบอิดรย แต่การหลับด้วยสมาธิคือหลับลงไปแล้วจิตสว่างสวัยมีความรู้ตื่นอยู่ตลอดคื่แล้วเราก็เข้าใจว่าเรานอนไม่หลับแต่แท้ที่จริงร่างกายเขานอนหลับจากสบายแต่จิตไม่หลับเพราะทันธ์พนั้นมีสมาธิเสื่อมเลื่องกันไม่ขาดสายทั้งกลงวันและกลางคืนแล้วความเป็นของนับสมาธิที่บันเป็นจิตจน ก้อตัวจดุลทำนี้ทำนานในการบำเพ็ญสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะไปเข้าใจผิดจะไปสตกใจร่างกายของท่านในขณะนั้นหลับจย่างสบายเลือดลมเดินอากกล่องตัวเมื่อท่านตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเบาบาจเบาใจเย็ยนใจปลอดโลร่งร่างกายก็ก็ปลี้กระเบ่าหน้าตา ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หมุนเบิกเนี่คือหลักอาเจี ผลของการทำสมาธิเตอนนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่าตกใจและอีกขั้นหนึ่งเคยกล่าวว่าภาวนาผู้โตผู้โตผู้โตอยู่ดีๆพอจิตสอบลองไปนิดหน่อยอาจารย์พลังไปยสวดคาถาชินบันคอนนต่พอสวดคาถาจินบันคอนสวดไปสวดไปจิตเกิดความสว่างเขาไปขึ้นเลยกลายเป็นสมาธิ อันนี้ค่ะเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยอ่อมเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแลใอฟางท่านในเมื่อกำหนดพิจรารดาพิจารดาผมผลเล็บปันหลังเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่มันจะมาพิจารณาอยู่ที่ผมผลเล็ปันหลังอย่างเดิมมันกลับไปพ้นว่าพิจารณาอยู่ในสายงานที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้ก็มีอันเป็นไปได้ ถ้าว่าท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้เมื่อพิจารณาตาจกักตาสติคงผลได้จุเมื่อจิตสงบลงไปพิจารณาเรื่องงานเรื่องการถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาจากโลกอย่าได้เข้าใจผิดว่าจิตของท่านเดินทางสิโดยวิสัยของจิตในเมื่อสงบลงเป็นสมาธิบรรลุถึงความเป็นเองโดยธรรมาชาติแล้วจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเอง โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างไรเรื่องของจิตเราจะมีอำนาจควบคุมเขาได้เฉพาะเวลาที่เขาไม่สงบและไม่มีสมาธิในเมื่อเขามีสมาธิมีสติปัญญาดีแล้วเขาจะปฏิบัติตัวเองไปถูกภูมิปุ่มทางโดยอาจจะลงั่นเพราะฉะนั้นใครเป็นอย่างนั้นอย่าไปตกใจอย่าไปเข้าใจว่าจิตเราต้องเราเดินออกนอกรูมินอกทาง บางท่านเมื่อภาวนาเจตมหัศบางลงไปแล้วก็ไปเห็นภาพนนมิตรต่างๆบ้างหรือฝุดเก็ดความโลภเป็นคัมภีร์ขึ้นมาบ้างในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอย่าเป็นท่านอย่าไปติดใจหรือจะไปเอกใจกับสิ่งนั้นๆถ้าอย่างสมมติว่าท่านภาวนาเห็นภาพในมิตถ้าท่านเกิดเอกใจขึ้นมา เหตุของท่านเจอพอมจากสภาที่เมื่อพร้อนจากสภาที่แล้วภาพนีิพนธ์ท่านจะหายไปวิธีปฏิบัติของเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางนั้นให้ท่านกำหนดหมายเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรูปของจิตสิ่งและเรื่องของสติท่าความรู้สึกไว้ที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนท่าความรู้สึกสํารลมอยู่ในที่นั้น ถ้าท่านสามารถยับยังเอาไว้ไม่ให้สมาธิของท่านเสียนแปลงจิตของท่านเสลี่ยนแปลงแตไม่เกิดเอจใจภาพนี้ไม่แต่สิ่งรู้นั้นนั้นจะปรากฏตัวอยู่ให้ท่านดูได้นานๆแล้วท่านจะได้สติปัญญาเพราะภาพนีม่ตต่ความรู้นั้นแดีวทางท่านภรวนาไปแล้วพิจารณาอสุภาษิตรรมฐานก็อจิตกระบอกโลงก็มีเปลิเป็นเหมือนไปไม่เหมือนสีเล้าอะไรทานองนี้ อันนี้อย่าเข้าใจว่าสิ่งเอ่นมาแสดงปรากฏการให้ท่านรู้เจตของท่านนั่นแหลเป็นผู้ลงต้นมาลงต้นมาเพื่อสนับสนุนความเจตของท่านเพราะท่านกําลังพิจารณาผมผนและปัญหนาให้เห็นเป็นของปฏิบูลน่าเกลียดผมตสู้ได้เมื่อเจตของท่านสงบลงไปแล้วเจตของท่านก็แสดงความรู้ขึ้นมาให้ท่านรู้และท่านไม่ควรไปตกใจกับเหตุการณ์นั้นๆ วิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์างนี้ก็เพียงแต่ว่าทมสติกําหนโดรู้ไว้ติดติดอย่างเดียวไม่ต้องไปําเนินถึงสิ่งนั้นๆแต่ไม่ควรเอ่ยใจเสื่ใจเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จิตของท่านสรุงขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏตัวใ ห, ให้ท่านเห็นท่านรู้และเหตุการณ์ อ, อื่นที่จะเพิ่มปรากฏขึ้นประ อ, อ, อตามขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนโดรู้ไว้ว่า สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นเจเพียงอารมณ์เรื่องรู้ของจิตเรื่องะระลึกของสติผู้ปฏิบัติควรจะได้ทำสติสํารวมรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขค้นหลักการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านพิจารณาอะไรไปกำหนดอะไรไปพอมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วท่านเกิดเอจใจขึ้นมาสมาธิสอน แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คืออะไรถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาท่านอย่าไปคิดหาคำตอบให้กําหนดูลที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตคอยจ้องดูความคิดที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอันใดเกิดขึ้นก็ทำสติตามรู้ไปรู้ไปในเม่อท่านเผลอลงไปนิสัยจิตว่างคำตอบในแง่ที่ท่านสงสัยจะปรากฏขึ้นมาท่านรู้ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพึงขาดและพึงประสบเราจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นไปตามให้กําหนดรู้ที่จิตเป็นเรื่องสําคัญให้ถือว่าสิ่งรู้สิ่งเห็นเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติการภาวนา this ไม่ใช่ภาวนาเอาคัดเอาต่อเรามีจุดประสงค์ที่จะสร้างสติให้มีประสิทธิภาพมีพลังเข้มแข็งขึ้น จนกลายเป็นสติปัฏฐานสามารถที่จะดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติเป็นสติสีสามารถที่จะตามรู้กิเลสในอารมณ์ได้เป็นสติวินโยจะเป็นยางเต้าอยู่ที่ติตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์อะไรผ่านก็มาทางตาหู้จมูกนิ้นตายใจหรือแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในสมาธิสติวินโยตัวนี้จะทําหน้าที่รู้เท่าเอาทันไม่หลงความรู้ความเห็นนั้น แล้วจิตขอท่านจะดําเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องแห่งการปฏิบัติ ด, ด้วยประการรัชนี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณประสีรัชนาไตรแต่ความปรารนาดีของท่านที่มุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุบัพผลนิพพานสิ่งใด้ที่ท่านตั้งปรารถนาเอาไว้ขอสิ่งนั้นจงสาเร็จตา ม, มนั้นไปที่ท่านปรารถนา โดยพวกันทุกท่านโดยในยัคดัมบรรยายมามขอสมควรแก่เวลาช่วยประกาลชนีรับยะาวาลาวะาภูลาปาลิภูเลนเปสาคะลัมเอวเมวัอิโตติมลังเปตานางอุปการปติ อิติสังปฏิสังคุมภัณฑ์กิพามวันะมิเตตุปะมิปุริตุตั้งตะพังจันโผลปนารโชยธามานิโสิราชโยยธาสัพพิสิโยพิพัชันตุจัปพะโลโควินาเตตุมาเตภวัตวันตลาโยตุที่ที่คาโยโภวาอะติวาตนาสีนิสานิจังวุธาปจาริโจัตารุมมาวะอันติอะโุวันโลโสทัง Ha, uh, ha, uh. ha.